ก็มักจะชวนเพื่อนไม่เคยไปไหนคนเดียวค่ะจะเดินไปห้องน้ําก็ต้องเชิญเพื่อนไปด้วยหลายอย่างค่ะคือไม่กล้าแล้วไม่มีความมั่นใจในตัวเองหลังจากนะคะมาอยู่ที่นี่มาคนเดียวค่ะก่อนมาก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะแต่เพื่อนเขาไม่มาค่ะแต่ดิฉันชอบชอบในเรื่องทางธรรมชอบความสงบก็เลยต้องตัดสินใจค่ะว่ามาคนเดียวก็ได้ไม่เห็นจําเป็นเลยและต่อมา พออาจารย์โกวิดหรือว่าพระอาจารย์อื่นยาามสอนพําแน้นเรื่องการอยู่คนเดียวพูดหลายอย่างคืคอมันกระทบันใจิตใจของดิฉันก็เลยคิดได้ค่ะเดีย๋ยวนี้ก็เลยกล้าไปค่ะไปห้องน้ำก็กล้าไว้คนเดียวค่ะทาอะไรก็ก็สามารถทำได้ค่ะด้วยตนเองค่ะแค่นี้ค่ะ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 คาแรกที <cin measurements> <Bra> ่ออกจากบ้านแล้วมันถึงที่อสมเันติเมนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกว่าตัวเนี่ยเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะ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 ก่อนอื่นนะคะขอใช้แทนตัวเองว่านิดนะะตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็อยู่คนเดียวยิบเงีย บ, เ, ยบเพราะว่าก็มีเพื่อนฝูงแต่ว่าก็ไม่ออกิกเฉียดก็โครมพอมาอยู่ที่นี่วันแรกๆไปสันติไม่ไปสุนโมกนะคะก็มีความประทับใจพอกลับมาอยู่ที่สันติเมตีก็เป็นวันแรกที่มาอยู่คือมาบวชหลังเพื่อนนะคะคือมีภารกิจที่มาไม่ได้ช่วงวันทำพิธีบวชวันแรกก็มาอยู่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 เพื่อนก็มีความเมตตากันเลื่อเพื่อเฟื้อกันแล้วก็ส่วนมากก็ต่างคนก็มีสมาธิการการศึกษาจากพระอาจารย์พระอาจารย์สอนก็นทั้งใจเรียนกันข้าพเจ้ามาอยู่สันติเมซีก็รู้สึกว่าได้มีประสบ ก, การณ์มากในการมาอยู่ที่นี่ค่ะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะ รู้สึกว่าพี่ๆที่นี่ดีมากเลยค่ะน้องๆก็ตอนแรกหนูคิดว่าหนูก็จะมาบวชแต่มาคิดอีกทีก็มีภาระชทธ์จะต้องทําก็คือสอบจึงทําให้ดีฉันไม่สบายสบายใจใจมากเลยค่ะแต่ก็คิดว่าอยากจะมาบวชเพราะจากการที่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 ก็มานอนบนกระดานที่เข็งอะไรอย่างนี้ค่ะแค่นี้ค่ะพูดดีพูดเร็วไปหน่อยพูดดีมีเนื้อหามากมากเลยยังไม่ยังผมยังไม่ลืมพูดไหมจะพูดไหมเอาพูดดักนิดก็ได้ครับกลัวอะไรเรื่องอะไรก็ก่อนที่จะมาบวน ข้าพระเจ้ารู้สึกว่าเมื่อก่อนกับแม่ก็เคยเสียงและก็เพื่อนในห้องเขาบอกว่าอย่ามาบวชเลยมาอดลบเราข้าพระเจ้าคิดว่าข้าพระข้าเจ้าได้ประสบการณ์หลายอย่างที่มาบวชทีนี้ค่ะ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 นิยายนี้ผมอ่านจากหนังสือของชาวเตริรกีครับชาวเติร์กซึ่งเป็นชนชาติซึ่งเจริญมากเหมือนกันแน่ดีจมาที่นี่ทุกปีผมจะต้องเล่าให้ฟังเกือบทุกทุกครั้งใครฟังแล้วก็ถือฟังซ้ำกันแล้วกันนะยังมีเจ้าหญิงคนหนึ่งครับที่สวยมากๆแล้วฉลาดมาก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 ใครก็ตามที่สามารถตั้งคำถามให้เธอจนได้เพราะเจ้าหญิงเชื่อมั่นในปัญญาของตัวเองมากที่คนที่ถามให้เธอจนได้นั้นก็ต้องฉลาดกว่าเธอแน่แน่แล้วจะได้แต่งงานแต่ว่าถ้ถาภายในสามวันนะครับไม่สามารถตั้งคำถามให้เจ้าหญิงจนตามกติกานั้นจะต้องถูกตัดคอดผู้ถามจ ะ, จะต้องตาย <c oughs> และแถมกติกาว่าผู้หมายมั่นแต่งงานกับเธอหรือผู้ผู้หมายมั่นจะแต่งงานกับเธอนั้นสามารถแต่งตั้งตัวแทนมาตั้งคำถามได้แต่เมื่อคราวตายต้องตายทั้งคู่ทั้งตัวแทนและผู้ที่ส่งตัวแทนมาข่าวนี้ก็ลือไปทั่วหลายแคว้น เจ้าชายน้อยเจ้าชายใหญ่ก็มาเพราะาเธอสวยมากๆแล้วฉลาดด้วยแต่ก็ตายกันเป็นเบื่อครับเพราะว่าตั้งคําถามเส้นไรเส้นไรเจ้าหญิงตอบได้ทั้งหมดทีนี้ก็จะกล่าวถึงเจ้าชายงโง่ครับยังมีเจ้าชายงโง่จะเรียบพระเอกก็ได้แต่ว่าเป็นเจ้าชายซึ่งโงม่มากๆพอได้ยินข่าวเจ้าหญิงเท่านนั้นก็นึก กระสัมันมั่นหมายที่จะได้เป็นเป็นชายายังไทั้งๆที้ตัวเองโง่มากๆ ก, กลัดกลุ่มเพราะตัวเองไม่ฉลาดอา ม, มาัดคนสนิทนะครับสังเกตเห็นเจ้านายทนนั้น <c oughs> ตัวหมาดที่เป็นคนฉลาดมากๆเลยครับเมื่อสอบถามได้ความแล้วก็ให้กาลังใจว่าอย่ากลัวเลยข้าพระองค์จะทำหน้าที่แทนทูลกระหม่อมเอง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 วันแรกอมหมากก็ไปทำหน้าที่แทนนะครับตั้งถามต่อหน้าเจ้าหญิงจนตกเย็นนะครับหมดไปวันหนึ่งเจ้าหญิงตอบได้หมดเพราะเจ้าชายนั้นอนอนรอในกระท่อมในสวนเพราะหมากกลับไปถึงเล่าให้ฟังแล้เจ้าชายก็รู้สึกกับวลกว่าเพราะว่าหมดไปวันหนึ่งแตยังยังไม่สามารถต้อนให้เจ้าหญิงจนจนมุมได้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 แต่ว่าคืนนั้นอมหมายก็ไม่ยอมนอนเขานั่งสมาธิทั้งคืนเนี่ยฝ่ายเจ้าชายก็นอนกายนะผ่ า, ผากพราะตกดึกครับยอมหมายร้องอทานขึ้นมาสําสเร็จแล้วประมาณั้นแล้วก็ปลอกเจ้าชายว่านอนให้หลับเสร็จรับร้องได้เลยพวงนี้จะต้องได้เมียแน่แ <c oughs> งเช้าหมายก็ไปแต่เช้าครับไปถึงก็ยืนขึ้นที่หน้าเจ้าหญิงแล้วก็ลุกขึ้นถามปัญหา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 ก็ขมอมขอถามว่ามีปัญหาอะไรที่เจ้าหญิงตอบไม่ได้บ้างเขาใส่เเขาใส่มุก เ, เจ้าหญิงก็แพ้ครับเพราะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ตัวเองฟังตัวเก็ตอบไม่ได้ในสุดก็เจ้าหญิงก็ต้องแต่งงานกับเจ้าชายจบครับเรื่องต่นเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากเรื่องนี้แต่เรื่องสนุกผมอ่านแล้วผมชอบมากๆเลย่อง อ่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับตอนผมเป็นเด็กๆยังไม่ลืมเลยสาสิบปีนะประมาณ3ามสผมอ่านตอนอยู่มสามหรือมอะไรเนี้ยเรื่องนิยายปาาย่าชญเตอรกีแต่มไม่เข้าใจความตอนนั้นจนโตผมผมออกบวชแล้วหลายปีจนนึกทบทวนมานี่ทานเอนนิทานเรื่องนี้มันสำคัญนะลองฟังเฉลยนะครับฟังตีความแบบปริศนาธรรม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 หรือพอสติดีเรียกว่าถึงขั้นจิตตานุปัสสนาสมมติจิตกำลังคิดอยู่ก็ย้อนหัวหอกกลับไปตัวมันเนี่ยเข้าใจไหมครับคือดูขณะที่มันคิดเข้ามานี่ยจิตคิดไปก็ดูมันตัวมันเองที่มันกำลังคิดนั่นเองพอดูขณะที่มันคิดมันจะยุบลงมาทันทีหมายความเรื่องทั้งหมดจะจบเกมเลยนะเข้าใจไหมครับอมหมางนั้นฉลาดมากๆ เราไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองเอาเรื่องเจ้าหญิงมันย้อมเจ้าหญิงจบเข้าใจไหมครับดังนั้นช่วยจํานิทานนี้ไว้เล่าเด็กครับหรือเพล่เพล่ขึ้นมาสมมติว่าเราเดินในตลาดที่โรงเรียนมีเรื่องวุ่นวายใจนี้ก็ดูตรงที่มันวุ่นนั่นเองเข้าใจไหมครับพอดูตรงวุ่นเหมือนกับว่าอมัดก็ถามคํถาถามเจ้าหญิงโดยเอาเรื่องเจ้าหญิงมาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมใหญ่เข้าใจไหมครับ เรื่องมันจะจบทันทีเร ว, วุ่นวุ่นเอ้นี่มันวุ่นเนี่ยพอเห็นเท่านี้ครับเอมดีขึ้นแหละเรื่องริษราบเรียบขึ้นมาจำได้ั้ยครับเรื่องนี้นั่นแหละเรื่องนัสลุดินเรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าหญิงสวยเรื่องหนึ่งเอาละเลิกครับคืนนี้จะเล่าอีกเรื่องนึ่ง ถ, ถ้านึกออกเอาละกลับไปันเถอะ